เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อราชสีสมัยนั้นพวกในพรานฆ่าราชสีกิน่นได้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวบินทบาทภิกษุทั้งหลายฉันเนื้อราชสีแล้วอยู่ในป่าราชสีไล่ตะครุบภิกษุเพราะได้กลิ่นเนื้อราชสี